เรื่องยะมะกะปฏิหารหรือยมกปฏิหารพระสัสดาทรงปราบรพวกเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากที่พระทวานคือประตูแห่งสังกัดสันครเทศนาตั้งขึ้นแล้วในกรุงราชครึกความพิสดารว่าสมัยหนึ่งเศรษฐีชาวกรุงราชครึกเล่นกีฬาทางน้ำในแม่น้ำคงคา ขึงขายเพื่อความปลอดภัยในการนั้นต้นจันแดงต้นหนึ่งถูกน้ำซาะลอยมาติดาย่ปุ่มหนึ่งมีประมาณเท่าหม้อเศษถีนำเอาไปกลึงเป็นบาดใส่เสาแรกห้อยไว้ในอากาศสูงหกสิบศอกแล้วประกาศว่าผู้ใดเป็นอรหันจงเหาะมาเอาบาดนี้ไปครูทั้งหกอันมีนิโรณธนาตะบุตรเป็นต้น ส่งลูกศิษย์ไปขอบาดนั้นเศรษฐีกล่าวว่าจงเหาะขึ้นไปเอาเองเถอะพวกเดรัธีแม้พยายามอ้อนวอนขอด้วยอาการต่างๆอยู่สิ้นหกวันก็ยังไม่ได้บาดนั้นวันที่เจ็ดพระมหาโมคคลานะและท่านปิณโธละภารัตวาชะได้ยินชาวเมืองพูดกันว่าพระอระหันต์ไม่มีในโลกเห็นว่าเป็นการพูดย่ำหยีพระพุทธศาสนา พระปินโทละภารัทวาชะก็เข้าจัตุตถะชาญมีอภินยาเป็นบาตรเอาปลายเท้าขีบหินดาดประมาณสามคาวุฒขึ้นไปในอากาศเหมือนปุยนุ่นแล้วเวียนไปในเบื้องบนแห่งนครราชฤทิเจ็ดรอบหินดาดคลุมปิดพระนครไว้ดุดฝาและมีประมาณสามคาวุฒคือประมาณ12กิโลเมตรชาวเมืองต่างร้องว่ากลัวหินจะตกทับ แล้วสุกซ่อนในที่นั้นๆในรอบที่เจ็ดพระเทระทำลายหินดาดเหวี่ยงหินไปตั้งที่เดิมเยือนอยู่บนยอดสุดแห่งเรือนเศรษฐีนำบาดลงมาเศรษฐีถวายพัฒตารมีรสหวานสี่อย่างเต็มบาทพระเทระรับบาทแล้วบายหน้าสู่วิหารไปแล้วต่อมาชนทั้งหลายที่ไม่ได้เห็นปาฏิหาริย์ครั้งนั้น ต่างประชุมกันละวิงวอนขอท่านจงแสดงปาฏิหาริย์พระเถระแสดงปาฏิหาริย์แก่ชนเหล่านั้นปัญหาอันเกิดจากการแสดงปาฏิหาริย์เริ่มเกิดขึ้นแล้วพระศาสดาทรงสดับเสียงมหาชนอื้ออึงทรงสดับว่าพระปิณฑรพารัตวาชะเหาะขึ้นไปเอาบาดไม้จันจึงรับสั่งให้เรียกตรัสถาม แล้วติเตียนพระเถระแลรับสั่งให้ทําลายบาสนั้นให้ละเอียดแล้วประทานแก่ภิกษุทั้งหลายเพื่อประโยชน์อันบทผสมยาหยอดตาแล้วส่งบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกทั้งหลายไม่ให้ทําปาฏิหารฝ่ายเดียรถีครั้นทราบว่าพระสมณโคดมส่งประกาศห้ามทําปาฏิหารบัดนี้พวกเราจักท้าพระสมณโคดมนั้นแลทําปาฏิหาร พระเจ้าพิมพิสารทรงสดับถ้อยคำจึงไปเฝ้าพระสาสดาพระสาสดาทรงตรัสว่าเมื่อเดีรถีเหล่านั้นกระทำปาฏิหารพระองค์ก็จะกระทำที่พระองค์บัญญัติสิกขาบทห้ามไว้มิใช่เพื่อตนแต่เฉพาะสาวกทั้งหลายาเราจะทำปาฏิหารอีกสี่เดือนในวันเพ็ญเดือน8ปด ครั้นพวกเดียร์ีได้ฟังถ้อยคํานั้นแล้วพลางกล่าวว่าพวกเราพากันชิบหายแล้วพวกเราจะทําอย่างไรกันเล่าพระศาสดาสเสด็จบรรลุถึงนครสาวัตถีโดยลำดับเพื่อจะทําปาฏิหาริ์แม้พวกเดียร์ีก็ไปกับพระองค์เหมือนกันเพื่อเตรียมทําปาฏิหาริ์แข่งชักชวนอุปถากได้ทัพย์แสนหนึ่งให้ทําบนดกด้วยเสาไม้ตะเคียนให้มุงโดยอุบลเขียว จะทำปฏิหารในที่นี้ครั้งนั้นพระเจ้าประเสณทิโกสลเสด็จมาเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่าพวกเดรธีทํามนดบที่แสดงปฏิหารแล้วข้าพระองค์ก็จะทาบนดบเพื่อพระองค์พระศาสดาตรัสห้ามว่าผู้ทา ม, มีอยู่แล้วคือท่านเท้าสักกะเทวราชทําที่ควงไม้กันทรมพรกคือมะม่วง รันพวกเดียร์ีได้ข่าวว่าพระสมณโคดมจะทำปฏิหารที่กวงไม้มะม่วงจึงบอกพวกอุปถาของตนให้ถอนต้นมะม่วงโดยที่สุดแม้งอกในวันนั้นในวันเพ็ญเดือน8พระสัสดาเสด็จเข้าไปในพระนครผู้รักษาสวนมะม่วงของพระราชาชื่อคันทะเห็นพระสัสดาระหว่างทางได้นำผลมะม่วงสุกผลหนึ่งมาถวายแก่พระสัสดา พระศาสดาทรงน้อมบาดเข้าไปรับมะม่วงแล้วประทับนั่งบนผ้าปูพระอานนทเทระกรองน้ำดื่มขยมมามะม่วงสุกด้วยน้ำสะอาดเล้ากรองทําน้ำปานะถวายเรื่องน้ำปานะนี้ทรงอนุ ญ, ญาตให้ใช้ผลไม้ทุกชนิดเพิ่มจากเดิมแปชนิดทาปานะได้แต่ให้ขยาเล้ากรองไม่ให้ตั้งไฟต้ม ทรงเสวยน้ำปานะ่าณะแล้วตรัสให้ในายันทะคุยดินปลูกมเมล็ดมะม่วงในที่นี้ซึ่งเขาก็ได้ทำอย่างนั้นพระศาสดาทรงล้างพระหัตบนมเมล็ดมะม่วงนั้นทันใดนั้นต้นมะม่วงมีลำต้นเท่าศีสะไทยคืองอนไทยสูงประมาณห้าสิบศอกงอกขึ้นแล้วกิ่งใหญ่ห้ากิ่งในสีทิศและกิ่งเบื้องบนยาวกิ่งละประมาณห้าสิบศอกสมบูรณ์ด้วยช่อละผล ทรงไว้ซึ่งพวงแห่งมะม่วงสุกรอบที่นั้นภิกษุที่ติดตามมาก็ได้ฉันผลมะม่วงสุกนั้นเหมือนกันหมายเหตุผู้อา่านสำหรับเรื่องนี้อาจารย์พรระตนสุวรรณเคยเขียนเล่าไว้ถึงการทำปาฏิหารปลูกเมล็ดมะม่วงแล้วเกิดเป็นต้นโตนในที่นั้นท่านได้เห็นมากับตานะครับมีการพิสูจน์กันมีคนได้เห็นกันหลายคน ทำโดยนักปฏิบัติธรรมชาวอินเดียท่านหนึ่งที่มาแสดงให้ดูในวัดแห่งหนึ่งเท้าสักกะทรงบังคับให้วาตาวลาหกเทพบุตรว่าจงถอนมนดบเดรัจฉีเสียด้วยลมแล้วให้หอบไปทิ้งเสียและสั่งสุริยะเทพบุตรว่าจงขยายมนทนพระอาทิตย์อย่างพวกเดรัจฉีให้เร่าร้อนให้วลาหกเทพบุตรทำลมหัวด้วน ตั้งขึ้นหอบทุลีโปรยลงสรีระเดียรถีเหล่านั้นที่มีเหงื่อไหลให้เป็นเช่นกับจอมปลวกแดงให้วัดสาวลาหกเทพบุตรปรยฝนให้ตกที่กาเดียรถีได้เป็นเช่นแม่โคโดางพวกเขาแตกหมู่กันหนีไปปุรณะกัสปะอาจารย์เดียรถีคนหนึ่งเสียใจและอับอายขอเอาหม้อยาคูและเชือกผูกโคของอุปถาคนหนึ่งไปแล้วสู่แม่น้า เอาเชือกผูกหม้อเข้าที่คอของตนแล้วกระโดดลงไปในน้ำทำการละตายไปเกิดในเอเวจีมหานรกครั้งนั้นพระสัสดาทรงนิรมิตจงกรมแก้วในอากาศสุดขอบปากจักรวาลบริษัททั้งหลายประชุมกันแล้วประมาณ36โยชน์ในเวลาบ่ายเสด็จออกจากรักขันทกุดีเป็นเวลาทำปาฏิหาร ได้ประทับยืนที่หน้ามุกบรรดาสาวกสาวิกาทั้งหลายต่างรับอาสาทำรรปฏิหารแทนพระองค์ได้แก่อุบาสิกาชื่อคารณีบุตรนันทมารดากับจุลละอนาถบินทิกะจักแสดงแผ่นดินใหญ่ให้เป็นน้ำเท่าจั ก, กรวาลแล้วดําเล่นอนาคามีอุบาสกชื่อจุลละอนาถบินทิกะจากเนรมิตอัตภาพดังพรมประมาณ12อโยศ ปรบเสียงมหาเมฆกระหึม่มถาำกลางบริษัทเป็นเสียงปรบแห่งพรมสามเณรีชื่อวีราอายุเจ็ดขวบบรรลุอรหัตปฏิสัมพิธาจากนา้ำภูเขาสินเนรุภูเขาจักรวาลและภูเขาหิ ม, มะพานตั้งเรียงไว้ในที่นี้แล้วจักทะลุออกจากภูเขาเหล่านั้นไปไม่ขัดข้องดุดนางโหงสามเณรชื่อจุนทะผู้ขี น, นาศพ คือเป็นพระอาหารหันต์อายุเจ็ดขวบจะกจับต้นว่าใหญ่ที่เป็นธงแห่งชมพูทวีที่ลำต้นละขยาวนำผลว่าใหญ่มาให้บริษัทเคี้ยวกินและจะนำดอกแครไฟลมาถวายพระองค์พระอุบลวรรณนาเทโอรีจากแสดงบริษัทประมาณส2โองยอโดยรอบเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอันมีบริษัทประมาณ36โยอโดยโกลม แวดล้อมแล้วมาถวายบังคมพระองค์พระมหาโมคลานะเทระจักวางเขาหลวงสินเนรุไว้ในระหว่างฟันแล้วเคี้ยวกินผุกเขานั้นดุดพืชมเมล็ดผักกาดจักม้วนแผ่นดินใหญ่ดุดเสือลำพนแล้วหนีบไว้ในระหว่างนิ้วมือจักหมุนแผ่นดินใหญ่ให้เหมือนแป้นหมุนภาชนะของช่างปั้นหมอ้อแล่าให้มหาชนเคี้ยกินโอชะแห่ ง, ง้วลดิน จะทำแผ่นดินไว้ในมือซ้ายแล้ววางสัตว์เหล่านี้ไว้ในทวีปอื่นด้วยมือขวาจะทำเขาซินเนรุให้เป็นด้ามร่มยกแผ่นดินใหญ่ขึ้นวางไว้ข้างบนของภูเขาซินเนรุนั้นเอามือข้างหนึ่งถือไว้คล้ายภิกษุมีร่มในมือจงกลมไปในอากาศพระศาสดาไม่ทรงอนุญาตทรงตรัสว่าพวกเธอทั้งหลาย พวกดอกไม้นี้เขาไม่ได้ผูกไว้เพื่อประโยชน์แก่เธอโดวยว่าเราเป็นผู้มีธุระที่หาผู้เสมอมิได้ผู้อื่นชื่อว่าสามารถนําธุระของเราไปได้ไม่มีเป็นต้นทรงตรัสกันหาอสุภะชาดกธุระหนักมีอยู่ในการใดใดทางไปในที่ลุ่มลึกมีอยู่ในการใดในการนั้นแหละพวกเจ้าของ ย่อมเทียมโคชื่อกันหะโคชื่อกันหะนั่นแหละย่อมนำธุระนั้นไปทรงตรัสนันทวิสาลชาดกบุคคลพึงกล่าวคำเป็นที่พอใจเท่านั้นไม่พึงกล่าวคำไม่เป็นที่พอใจในการไห น, ไหนเพราะเมื่อพราหมณ์กล่าวคำเป็นที่พอใจอยู่โคนันทวิสารเข็นภาระอันหนักไปได้อย่างพราหมณ์นั้นให้ได้ซับ และพรามนั้นได้เป็นผู้มีใจเบิกบานเพราะการได้ทรัพย์นั้นเรื่องนี้คือพรามจะใช้โคให้ขนของแต่โคไม่ยอมไปยิ่งดุดาวหรือตีก็ยิ่งไม่ยอมไปแต่พอใช้คำหวานพูดเพราะด้วยโคนั้นก็ทำตามได้โดยง่ายพระสัสดาครันตรัสแล้วจึงเสด็จขึ้น สูตจงกรมแก้วนั้นมีบริษัททั้งสี่ทิศข้างละสิบสองโยส่วนตรง24่สิบสี่โยศ่ทงทำยะมะกะปฏิหารทำกลางบริษัทยะมะกะแปลว่าคู่ลักษณะของยะมะกะปฏิหารในยานในยะมะกะปฏิหารของพระตถาคตไม่ทั่วไปด้วยพระสาวกคือผู้อื่นทําไม่ได้พระองค์ทําได้แต่ผู้เดียว ทรงแสดงยมกับปฏิหารดังนี้ท่อไฟพุ่งออกจากประกายเบื้องบนสายน้ำไหลออกแต่ประกายเบื้องล่างท่อไฟพุ่งออกแต่ประกายเบื้องบนสายน้ำไหลออกแต่ประกายเบื้องบนท่อไฟออกแต่ประกายเบื้องหน้าสายน้ำไหลออกแต่ประกายเบื้องหลังท่อไฟพุ่งออกแต่ประกายเบื้องหลังสายน้ำไหลออกแต่ประกายเบื้องหน้า ท่อไฟพุ่งออกแต่พระกายเบื้องบนสายน้ำไหลออกแต่พระกายเบื้องล่างและโดยในยาเดียวกันนะครับคือท่อไฟกับสายน้ำออกแต่พระเนตรเบื้องขวาพระเนตรเบื้องซ้ายพระกันเบื้องขวาพระกันเบื้องซ้ายออกแต่ช่องพระนาศิกออกแต่จะงอยพระอังสะพระหัดเบื้องขวาเบื้องซ้ายพระปัดพระบาทพระองคูลีพระองคุลี ช่องพระองคุลีขุมพระโลมาเส้นพระโลมาพระรัศมีทั้งหลายเป็นไปด้วยสามารถแห่งสีทั้งหกคือเขียวเหลืองแดงขาวหงสะบาทประพัดสอนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจงกรมนิรมิตยืนเดินนั่งหรือนอนพร้อมกับจงกรมไปด้วยพร้อมกันนี้เป็นญานในยมะกะบปฏิหารของพระตถาคต ในวันนั้นพระศัสดาทรงธทำยะมะกะปฏิหารด้วยแล ะ, สะแสดงธรรมด้วยประทานให้เบาใจยิ่งแก่มหาชนสาธุการแล้วธรรมมาพิสมัยได้มีแก่มหาชนแล้วได้มีแก่สัตว์ยี่สิบโกรธในสมาคมนั้นพระศัสดาทรงรำพึงว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทำปฏิหารแล้วจำพรรษาที่ไหนหนอทรงเห็นว่าจำพรรษาในภพดาวดึง แล้วส่งแสดงอภิธรรมปิดกแก่พระพุทธมารดาในพรรษาที่เจ็ส่งแสดงอภิธรรมปิดกไว้แล้วเป็นปิดกที่สเพิ่มจากพระวินัยปิดกและพระสุตตันตปิดกซึ่งมีหลายคนเข้าใจผิดไปว่าคำสอนมีแต่เฉพาะพระธรรมกับพระวินยัยหมายเหตุผู้อ่านสําหรับพระอภิธรรมปิดกนั้นถ้าตามคำภีร์คือการแสดงให้แก่พระพุทธมารดา ในสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับข้อนี้ขอฝากไวให้สังเกตว่าในสวรรค์นั้นไม่มีทุกข์ไม่มีสภาวะทำให้เห็นชัดกรรมฐานหลายกองจึงนำไปใช้ไม่ได้ในที่นั้นดังนั้นการพิจารณาข้อธรรมจากอภิธรรมปีดกโดยละเอียดนั้นจึงน่าจะเหมาะกับเทวดาเป็นพิเศษและสำหรับมนุษย์ทั่วไปก็เหมาะกับคนในกลุ่มที่มีจริที่ชอบคิดวิเคราะห์ แต่ไม่ได้หมายถึงเหมาะกับคนทั่วไปโดยเฉพาะคนมาใหม่และคนเริ่มต้นนะครับอย่างน้อยการศึกษาพระสูตรพระวินัยก็จำเป็นมากที่ควรศึกษาก่อนเพราะเป็นพื้นฐานของการเข้าใจศาสนาให้ครบทุกมิติขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับดังนี้แล้วทรงยกพระบาทขวาเหยียบเหนือยอดภูเขายุคันทรยกพระบาทซ้ายเหยียบเหนือยอดเขาซิเนรุ ทรงย่างพระบาทสามเก้าหกแสนโยดผู้เขาเหล่านั้นมารับพระบาทไว้แล้วก็ตั้งที่เดิมเท้าสักกะดำริว่าพระศาสดาจากทรงจำพรรษาในถ้ำกลางบรรดุกรรมพลศิลาอาจอุปการะจะมีแก่เหล่าเทพพยาดามากหนาจากแสดงจำพรรษาในภพดาวดึงแล้วทรงแสดงอภิธรรมปิดกแก่พระมารดาตลอดสามเดือน แล้วจักเสด็จสู่โลกมนุษย์ในวันมหาปวารณาคือวันออกพรรษารามหนึ่งค่ำเดือนส1บอ็ดฝ่ายเหล่ามนุษย์ทั้งหลายไม่เห็นพระศาสดาไต่ถามพระมหาเทระมีพระอนุรุท ธ, ธาเทระเป็นต้นครั้นทราบว่าทรงเสด็ จ, จำพรรษาบนพบดาวดึงต่างพูดกันว่าจะพำนักอยู่ในที่นี้จนกว่าจะได้เห็นพระศาสดา จุละอนาถบินทิกะจัดเลี้ยงอาหารมหาชนเหล่านั้นมหาโมคลลานะเทระแสดงธรรมแก่บริษัททุกเวลาเช้าและเย็นตลอดไรมาสนั้นพระธรรมสังคาหากาจาร์กล่าวว่าในการใดพระพุทธเจ้าประทับอยู่เหนือบันดุ ก, กรรมพลศิลาณ่วงไม้ปริชาตกะในภพดาวดึงในการนั้นเทวดาทั้งหลายในหมื่โลกทาต ประชุมพร้อมกันและเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเทพพญดาองค์ไหนก็หาภัยโรธกว่าพระพุทธเจ้าโดยวันณะไม่พระพุทธเจ้าเท่านั้นย่อมภัยโรธล่วงปวงเทพยดาทั้งหมดครั้นเมื่อพระสัสดาประทับนั่งพระพุทธมารดาเสด็จมาจากภพดุสิตประทับนั่งนัปรัดเบื้องขวาแม้อินทกะเทพประบรก็มานั่งณพระปาดเบื้องขวาเหมือนกัน อังกุราเทพบุตรมานั่งเบื้องซ้ายฝ่ายอังกุราเทพบุตรนั้นครั้นเมื่อเทพ ย, ยดาทั้งหลายผู้มีศักย์ใหญ่มาประชุมกันแล้วรนออกไปแล้วในที่มีประมาณ12โยช์ส่วนอินทกะนั้นนั่งในที่เดิมนั่นเองพระศาสดาทอดพระเนตร ด, ดูเทพบุตรทั้งสองแล้วประสงค์จะยังให้บริษัททราบอันทานที่บุคคลถวายแล้วแก่ทักินยบุคคล ในศาสนาของพระองค์เป็นกุศลมีผลมากจึงตรัสว่าอังกุระเธอทำแถวเตาไฟยาวส2องโยดให้ทานมากในการประมาณหมื่นปีได้โอกาสที่ไกลายสองโยดซึ่งไกลกว่าเท พ, พบุตรทั้งหมดอะไรหนอเป็นเหตุในข้อนี้ส่วนอินทกะนั่งข้างขวาของเราฉนไหนจึงไม่ต้องร่นออกไปนั่งเรา อังกุระเทพบุตรกราบทูลว่าทานของข้าพระองค์ว่างเปล่าจากทักินยะบุคคลแต่ยักษ์เชออินทะกาน้นั้นถวายทานนิดหน่อยอย่างรุ่งเรืองกว่าข้าพระองค์ดุจพระจันทร์ในหมู่ดาวอินทากาเทพบุตรกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้ทักินยะสมบัติแล้วดุจชาวนา ว, วานพืชน้อยในนาดี พืชแม้วานมากแล้วในนาดอนผลย่อมไม่ไพ่บูนชั้นใดฐานมากมายตั้งไว้ในหมู่ผู้ทุศีลผลย่อมไม่ไพ่บูนชั้นนั้นพืชแม้เล็กน้อยอันบุคคลหวานแล้วในนาดีผลย่อมยังชาวนาให้ยินดีได้ชั้นใดเมื่อสักการะแม้เล็กน้อยอันทายกทำแล้วในเหล่าผู้มีศีลผลย่อมยังทายกให้ยินดีได้ ฉันนั้นเหมือนกันอินทกะนั้นถวายภิกษาทั พ, พีหนึ่งแก่พระอนุรุธทธะเทระบุญของเธอมีผลมากกว่าทานที่อังคุระเทพบุตรทำแถวเตาไฟยาวตั้งสิบสองโยต์ให้แล้วตั้งหมื่นปีข้อนี้น่าจะหมายถึงการตั้งเตาไฟเพื่อประกอบอาหารแจกเป็นทานนะครับพระสัสดาตรัสว่าอังคุระ การเลือกสิก่อนแล้วให้ทานจึงควรทานย่อมมีผลมากด้วยอาการอย่างนี้ดุดพืชที่หวานดีในนาดีฉะนั้นในการจบเทศนาอังกุระเทพบุตรและอินทกะเทพบุตรดำรงอยู่ในโสดาปฏิพลมายเหตุผู้อ่านสำหรับคำว่ายัก ในพระไตรปิฎกบางส่วนไม่ได้แปลว่ายักษ์ไม่ได้หมายถึงยักษ์มารอะไรแบบนั้นนะครับแต่เป็นศัพท์หนึ่งที่เรียกยักษ์คือผู้เป็นใหญ่ส่วนพุทธพจน์สุดท้ายนี้ก็คงจะเป็นคำสอนที่ดีที่ชาวพุทธควรจะจดจำนะครับไม่ใช่สักแต่ว่าให้อย่างที่ชอบสอนกันว่าชั่วช่างชีดีช่างส่งนั้นการเลือกให้กับวัดที่ดีสอนดีสอนถูกสอนไม่ผิดทาง กับนักบวชที่มีความประพฤติดีมีศีลดีย่อมจะเป็นสิ่งดีกว่าที่จะสักแต่ว่าธรรมจนกลายเป็นคนมาปลอมบวชหาประโยชน์ในผ้าเหลืองทำให้คนรุ่นใหม่เสริมศรัทธาในพระสงค์ได้มากมายอย่างในปัจจุบันนี้นะครับลำดับนั้นพระศาสดาทรงปรารกพระมารดาเริ่มตั้งอธิษฐานปิดกว่ากุศลธรรมมาอากุศลธรรมมา อพยาการตารร ม, มาดังนี้เป็นต้นทรงแสดงโดยนยะอย่างนิ้วเรื่อยไปตลอดสามเดือนทรงนิรมิตพระพุทธนิมิตแสดงธรรมแทนในเวลาพิคขาจาร์แล้วเสด็จไปป่าหิมพานนำบินทบาดมาแต่อุตรากุรุทวีบนั่งทมพัฒกิจโดยมีพระสาริบุตรทำวัดคือปรนิบัติแก่พระศาสดาในที่นั้นตรัสว่าสาริบุตร วันนี้เราแสดงอภิธรรมพาสิทธ์ชื่อนี้เธอจงบอกแก่ภิกษุห้า้อยนิสิตของเธอแล้วเสด็จสู่เทวโลกแสดงธรรมเองต่อจากที่พระพุทธทนิรมิตแสดงได้เสด็จอยู่ในเทวโลกนั้นจนครบในปรกรณ์ทั้งเจคืออภิธรรมเจ็ดคำพีได้ยินว่าครั้งประกาสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า ภิกษุนิสิตของพระสาวรีบุตรห้าร้อยเป็นข้างขาวหนูในถ้มแห่งหนึ่งเมื่อพระเทรรสองรูปจงกรมแล้วท่องอภิธรรมอยู่ได้ฟังถือเอานิมิตในเสียงแล้วข้างข่าวเหล่านั้นไม่รู้ว่าเหล่านี้ชื่อว่าขันเหล่านี้ชื่อว่ า, าธาตุเป็นต้นด้วยเหตุสักว่าถือเอานิมิตในเสียงเท่านั้นจติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในเทวโลกสิ้นพุทธันดรหนึ่ง จุติจากเทวโลกเกิดในเรือนตระกูลในกรุงสาวัตถีบวชในสำนักของพระสาวรีบุตรเถระแล้วได้เป็นผู้ชำนาญในปรกรณ์เจ็ดทรงสแสดงอภิธรรมตลอดสามเดือนในการจบเทศนาธรรมมาพิสมัยได้มีแก่เทวดา8ปด0มืนโกรธแม้พระพุทธมารดาก็ตั้งอยู่แล้วในโซดาปฏิผล พระศัสดาเสด็จลงจากดาวดึงเทวโลกในวันมหาเปรนาออกพรรษาเท้าสักกะยริมิดบันไดทองคำบันไดมณีแก้วบันไดเงินเชิงบันไดสู่ประตูเมืองสังกสานนครส่วนหัวบันไดตั้งอยู่ที่ยอดเขาสิเนรุบันไดทองข้างขวาเพื่อพวกเทวดาบันไดเงินข้างซ้าย เพื่อมหาพรหมทั้งหลายบันไดแก้วมณีมีในถ้ำกลางเพื่อพระตถาคตพระองค์ทรงเปิดโลกแม้พวกเทวดาก็เห็นมนุษย์แม้มนุษย์ก็เห็นเทวดาเทพประบุนักฟ้อนชื่อปัญจสิกขาถือพินสีเหลืองดุดผลมะตูมอยู่ณข้างเบื้องขวาทำบูชาด้วยการฟ้อนแด่พระศาสดาลงมา มาตลีสังขาหากาศเทพบุตร ย, ยืนเบื้องซ้ายถือของหอมดอกไม้ทิพนมัส ก, การอยู่ทำการบูชาแล้วลงมาเท้ามหาพรหมกั้นชัดเท้าสุยามถือพัดวาลวิชนีพระสัสดาสเสด็จลงมาพร้อมด้วยบริวารหยุดประทับที่ประตูสังกัดสนครแม้พระสารีบุตรเทระก็มาต้อนรับถวายบังคมพระสัสดาแล้ว พระศัสดาทรงแสดงธรรมเทศนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเป็นปราดขวนขวายในฌานยินดีแล้วในธรรมะที่เข้าไปสงบด้วยสามารถแห่งการออกแม้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ย่อมกระยิมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มีสติในการจบเทศนาธรรมาพิสมัยได้มีแกส่สรรัตว์30สบโกด ภิกษุห้าร้อยสิทธิ์พระสารีบุตรเทระตั้งอยู่แล้วในอรหัต ส, สถานที่พระบาทเบื้องขวาประดิษฐานนาที่เสด็จที่ประตูสังกัดสันนคอ น, นั้นมีนามว่าอจรลเจติยสถานพระสัสดาประทับยืนนาที่นั้นตรัสถามปัญหาธรรมในวิสัยปุถุชนพวกปุถุชนแก้ปัญหาในวิสัยของตนเท่านั้น ไม่สามารถแก้ปัญหาของพระโสดาบันได้แม้พระโสดาบันก็เหมือนกันไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระอริยบุคคลทั้งหลายได้มีพระสกะทาคามีเป็นต้นทรงตรัสชมเชยพระสารีบุตรเทระเป็นผู้มีปัญญามากดังนี้แล้วทรงตรัสชรดกนี้โดยพิสดารว่า คนที่มาประชุมกันแล้วแม้ตั้งพันเป็นกำหนดคนเหล่านั้นหาปัญญามิได้พึ่งกร้ามครวนตั้งร้อยปีบุรุษผู้ใดรู้ชัดซึ่งอัถะแห่งพาสิทธได้บุรุษผู้นั้นซึ่งเป็นผู้มีปัญญาคนเดียวเท่านั้นประเสริฐกว่า